2. ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องงดงามในเบื้องต้นงดงามในถ้มกลางและ ง, งดงามในที่สุดวงเล็บเปิด13กรกฎาคม2551ในวงเล็บหนึ่งวงเล็บปิด ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องกระจ่างต้องแจ่มแจ้งต้องพิสูจน์ได้ด้วยตัวของตัวเองแล้วต้องเห็นผลเร็วด้วยเพราะธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะของพระมหาบุรุษมีคุณธรรมหลายประการเลยลักษณะหลายประการของธรรมะของพระมหาบุรษุษประการที่8ที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสก็คือต้องได้ผลเร็วต้องเห็นผลเร็วไม่ใช่อาจารย์พาทำอะไรก็ทําดุยดุยมันจะกลายเป็นซอมบี้อยู่แล้วก็มีฉะนั้นอย่างงมงาย ธรรมะของพระพุทธเจ้าต้องงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางงดงามในที่สุดงดงามในเบื้องต้นคือชี้ทางให้เราเดินไปได้งดงามในท่ามกลางคือมีเหตุมีผลสมบูรณ์อย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองอยู่ตลอดเวลางดงามในที่สุดก็คือเราลดละกิเลสได้จริงๆความทุกข์ตกหายไปได้จริงๆเป็นลําดับลําดับไปถ้าไม่ใช่ลักษณะอย่างนี้ต้องระมัดระวังให้ดีอย่าขี้ตื่นนะชอบขี้ตื่นข่าวลือ ชาพุทธต้องมีเหตุมีผลศึกษาธรรมะนี่เราจะรู้เลยว่าเราจะทําอะไรเราจะทําเพื่ออะไรเราทําอะไรเราทําสมถะและวิปัสสนาบางคนบอกว่าหลวงพ่อปราโมทห้ามทําสมถะพูดโมเมเอานะหลวงพ่อบอกบางคนนะ่ะมันติดสมถะให้มันหยุดซิก่อนสุดท้ายมันก็ต้องทํานั่นแหละไม่ทําได้อย่างไรพระพุทธเจ้าบอกว่าทําที่ควรเจริญด้วยปัญญาอันยิ่งคือสมถะและวิปัสสนา ฉะนั้นเราก็ต้องเจริญทั้งสมถะและวิปัสสนาเราทำเพื่ออะไรสมรถะทำเพื่อให้จิตสงบให้จิตดีให้จิตสุขให้จิตสงบวิปัสสนาทำเพื่อให้จิตฉลาดให้จิตเห็นความจริงของกายของใจจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจจะได้พ้นทุกข์เพราะกายกับใจคือตัวทุกข์กายกับใจเป็นที่ตั้งของความทุกข์พอวางทิ้งไปแล้วนะสมมติว่านี่เป็นตัวทุกข์เป็นกายกับใจ กายกับใจตัวมันเป็นตัวทุกข์ด้วยและมันเป็นที่ตั้งของความทุกข์ด้วยพอเราทิ้งนี่เราทิ้งทีเดียวเห็นไหมทิ้งทั้งตัวทุกข์ทิ้งทั้งสิ่งที่จะมาตั้งอยู่แล้วเป็นความทุกข์ทิ้งไปทีเดียวไม่ใช่มาคอยหยิบอันนี้ออกเดี๋ยวมันก็หล่นลงมาอีกนั่งแก้อาการอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะยังจิตฟุ้งซ่านก็ทําให้สงบจิตไม่ดีก็ทําให้ดีอยู่อย่างนั้นวนเวียนอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติไม่จบเปล่าต้องเห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้้ไรรสาระ เป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของดีของวิเศษเห็นอย่างนี้มันทิ้งพอทิ้งแล้วนี่ทีนี้ไม่มีทั้งตัวทุกข์ไม่มีที่ตั้งของความทุกข์หลุดไปเลยธรรมะของพระพุทธเจ้านะทุกข์มันจะหายไปจริงๆ คนที่มาเรียนที่นี่ประมาณหนึ่งเดือนถ้าไม่ดื้อ น, นะเดี๋ยวนี้เหลือสักเดือนหนึ่งเท่านั้นเองจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองได้เค ย, เ ค, ยเครียดก็จะหายไปเคยเครียดมากก็หายเครียดเคยนั่งเพ่งซึมกระทือเหมือนนกเขาแมวกลางวันพวกนี้จะหายไปเคยเครียดเคยซึมหนักๆนี่จะหายใจจะโปร่งโล่งเบาขึ้นมาจิตใจจะเบาจิตใจจะนุ่มนวลอ่อนโยนเห็นกายอย่างที่มันเป็นเห็นใจอย่างที่มันเป็นเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่ง เห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งเห็นสังขารที่เป็นกุศลอกุศลยังโลภโกรธหลงทั้งหลายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งตัวจิตเองก็เกิดดับเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับคนไหนภาวนาแล้วยังเห็นจิตวิ่งไปวิ่งมาเห็นไหมจิตวิ่งไปวิ่งมาเดี๋ยววิ่งไปที่ตาใช่ไหมพวิ่งไปที่ตาหลงไปดูอุ๊ยดึงคืนมานี่ของเรามีอันเดียวนี่แหละ หลงไปทางหูวิ่งไปทางหูอีกแล้ววิ่งจีดไปไปดึงคืนมานี้ไปคิดอีกแล้วไปดึงคืนมาอันนี้แหละเรียกว่าสันติไม่ขาดถ้าสันติไม่ขาดเราจะรู้สึกว่าจิตมีตัวเดียวเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาถ้าสันติขาดมันจะเห็นว่าจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับเกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับมันจิตคนละดวงกันจิตที่เผลอไปคิดดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับ จิตที่รู้ว่าเผลอไปคิดอีกดวงหนึ่งเกิดแล้วก็ดับค ล, คล้ายๆการดูหนังการ์ตูนดูโดรีมอนดูอีคิซังนะหลวงพ่อรู้จักแค่นี้หลังจากนั้นไม่รู้จักแล้วพวกเราไม่รู้ทันหรือเปล่าคงทันนะหน้าตาก็ไม่ได้เด็กเกินไปหรอกด้วยอย่างตัวการ์ตูนใช่ไหมยมีอยู่ตัวเดียวโดรีมอนตัวเดียวเดินตั้งแต่ต้นเรื่องถึงท้ายเรื่องมีอยู่ตัวเดียวในความเป็นจริงโดรีมอนไม่เคยเดินไปไหนเลยเห็นไหมมันคือรูปหลายๆรูปมาต่อกันอย่างรวดเร็วมันเกิดดับต่อเนื่องกันรูปเดียว ใช้รูปนี้ออกไปรูปนี้ดับปับ๊บใช้รูปที่สองออกไปรูปที่สองดับปับ๊บอาศัยสัญญาคือความจําจิตมันยังจํารูปเดิมได้แล้วมันไปเห็นรูปใหม่นี่มันเลยเห็นว่ารูปขยับขยับขยับพวกเราก็ถูกสัญญาหลอกจิตนี่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาแต่อาศัยสัญญาจําได้ว่าเมื่อกี้มันอยู่ตรงนั้นตอนนี้มันวิ่งมาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็เลยคิดว่ามันเคลื่อนที่ได้อันนี้เรียกว่าสันตติมันไม่ขาดถ้าสัน ต, ติขาดจะเห็นเลยจิตเกิดที่ตาแล้วก็ดับ เกิดที่หูแล้วก็ดับเกิดที่ใจแล้วก็ดับบางคนไม่เห็นสันติขาดไม่ต้องกลัวทํำวิปัสนาได้เหมือนกันเห็นคณะแตกคณะคือกลุ่มก้อนแห่งความเป็นตัวตนเห็นขันแตกกระจายเห็นไหมคุณนาเริ่มสบายใจแล้วใช่ไหมเพราะไม่เห็นสันตติเห็นแต่คณะเห็นมันแตกเป็นส่วนๆมันไม่ใช่ตัวเราเห็นอย่างนี้ก็ได้นะดูอย่างนี้ก็ได้ฉะนั้นดูได้หลายอย่างไม่ใช่ว่าตายละหวะยังไม่เห็นเลย จิตเกิดท be so so e ี่ตาแล้วดับเกิดที่หูแล้วดับเห็นแต่มันวิ่งไปวิ่งมาอย่าสําคัญผิดว่าจิตมีดวงเดียวถ้าสําคัญผิดว่าจิตมีดวงเดียวมันจะสงวนรักษาจิตนะเพราะของดีของเรามีอยู่อันเดียวหายไปไหนไม่ได้แล้วเหมือนหัวใจไม่อยู่ดวงเดียวใช่ไหมหายไปไหนไม่ได้หวงเป็นพิเศษไตยังมีสองอันเสียอันหนึ่งยังพออยู่ได้ตามีสองตาใช่ไหมเสียไปอันหนึ่งยังอยู่ได้หัวใจมีอันเดียวหายไปไม่ได้สมองมีอันเดียวหายไม่ได้ จิตมีดวงเดียวก็หายไม่ได้เหมือนกันหวงถ้าหวงรักษาจิตอยู่หวงแหนจิตอยู่เป็นพระอาหารหันต์ไม่ได้จำมาไว้นะ